6. วิธีทางอันยิ่งขอนอบน้อมแด่องค์พระมัญชุสีผู้เลิศด้วยปัญญาข้าขอนอบน้อมบูชาแด่เหล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งอิสระแล้วจากการยึดติดทั้งปวงผู้ซึ่งมากด้วยพระมหากรุณาที่คุณและพระปัญญาที่คุณที่ได้ส่งพยายามสอน ในสิ่งที่ไม่สามารถจะอธิบายได้โดยความจริงแท้แล้วมันไม่ได้มีการเกิดซึ่งแน่นอนมันก็ย่อมไม่มีการดับและการหลุดพ้นพุทธะนั้นเป็นดั่างเช่นท้องฟ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีธรรมชาตินั้นอยู่มันไม่ได้มีทั้งสังสารวัฏและนิพพานอย่างแท้จริงแต่ทั้งหมด ล้วนเป็นเพียงความสืบเนื่องที่ซับซ้อนของธรรมชาติอันว่างเปล่าอันเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ธรรมชาติของสรรพสิ่งปรากฏเช่นเดียวกับภาพสะท้อนบริสุทธิ์สงบสันติตามธรรมชาติอันไร้ซึ่งความหมายแห่งความเป็นคู่ของความเป็นเช่นนั้นเองจิตธรรมดาได้ปรุงแต่งความเป็นตัวตนขึ้น ทั้งทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงเลยและมันได้ก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆมากมายทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆภพภูมิทั้ง6ในสังสารวัฏความสุขแห่งสวรรค์และความทุกข์แห่งนรกล้วนคือการเสกสรรปั้นแต่งของจิตในทำนองเดียวกันความคิดว่าการกระทำไม่ดีนั้นทำให้เกิดความทุกข์ ความแก่ความเจ็บป่วยและความตายและความคิดว่าการกระทำที่ดีนั้นนำไปสู่ความสุขทั้งหมดล้วนเป็นเพียงความคิดเห็นที่ไม่ได้มีอยู่อย่างจริงแท้เช่นเดียวกับจิตกรที่หวาดกลัวในภาพปีศาจที่ตนวาดผู้ทุกข์ยากในสังสารวัตรก็หวาดกลัวในสิ่งที่ตนนั้นจินตนาการขึ้นเอง เหมือนคนที่ติดอยู่ในทายดูตะเกียกตะกายดิ้นรนอยู่ในนั้นมันก็ยิ่งจมลงไปลงไปในร่างแหของความคิดตนเองด้วยความเพอ้อฝันหลงผิดจากความจริงจึงเป็นเหตุให้ประสบกับความทุกข์ยากเข็นใจจิตกายเป็นพิษก็ด้วยการให้ค่าความหมายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ท, ที่รับรู้ จงสลายจินตนาการเพอร้อฝันนั้นด้วยเมตตาจิตและปัญญาและคงอยู่ด้วยความตื่นรู้อันสมบูรณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ต่อไปดังนั้นจงหมั่นจเจริญในสิ่งที่เป็นกุศลทำจิตให้อิสระจากตาข่ายแห่งคุณค่าความหมายเธอก็จะลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเข้าใจแจ้งชัดในสัมพันธภาพของทุกสิ่งความจริงอันยิ่งก็จะปรากฏให้เห็นแจ้งชัดเมื่อขจัดความเห็นในเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกระแสที่เห็นก็จะเป็นดังเช่นความว่างเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะแจ้งชัดทั้งสังสารวัฏและนิพพานว่าล้วนว่างเปล่า และไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงไม่มีอะไรเลยและไม่เปลี่ยนแปลงสงบสันติอย่างนิจนิรัน์และใสกระจ่างเช่นเดียวกับจินตนาการทั้งหลายในฝันย่อมสลายไปหมดย่ามเมื่อตื่นขึ้นดังนั้นความสับสนทั้งหลายในสังสารวัตย่อมเสื่อมหายไปเมื่อบังเกิดความรู้แจ้ง เมื่อความคิดฝันอันไร้แก่นสารเช่นความคงอยู่ถาวรตัวตนอันแท้จริงและความพึงพอใจถูกห่อหุ้มไปด้วยเมฆหมอกแห่งตันหาขอบเขตแห่งความมีอยู่ก็ปรากฏธรรมชาติแท้จริงของชีวิตคือไร้การเกิดแต่สรรพสัตว์ทั่วไปกลับหลงคิดว่ามันมีอยู่จริงทั้งสรรพสัตว์และความคิดของพวกเขา ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดมันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการเสกสรรปั้นแต่งของจิตและนี่ก็นำไปสู่การเกิดอันเป็นมายาในโลกแห่งการประทําดีและเลวและตามด้วยการกลับมาเกิดใหม่อีกที่ดีและเลวเมื่อกงล้อแห่งจิตหยุดหมุนทุกๆสิ่งก็จบสิ้นดังนั้นมันจึงไม่มีสิ่งใด ที่มีแก่นสารที่แท้จริงและทุกๆสิ่งล้วนบริสุทธิ์สมบูรณ์มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่แห่งสังสารวัตรนี้ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งปรุงแต่งอันเป็นมายาย่อมสามารถข้ามไปได้ด้วยเรือแห่งการเข้าถึงอันเป็นสากลคือความเมตตากรุณาและปัญญาใครเล่า ที่จะไปสู่อีกฝั่งได้โดยปราศจากมัน